คนธรรมดาจะรู้ได้อย่างไรว่าวิญญาณก็คือธรรมชาติที่สร้างชีวิตอันที่จริงข้อที่ว่าร่างกายเกิดจากวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ยากเพราะข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เห็นได้ง่ายว่าร่างกายเกิดจากวิญญาณจริงๆเช่นเมื่อเราพิจารณาดูส่วนต่างๆของร่างกายและพฤติกรรมต่างๆของร่างกาย ก็จะพบว่าทุกอย่างมีความหมายคืออธิบายได้ว่าอวัยวะส่วนนี้หรือพฤติกรรมอันนี้เกิดมาเพื่ออะไรขอให้สังเกตว่าบรรดาสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งหมายถึงว่าเกิดมาจากความรู้สึกนึกคิดของคนนั้นทุกอย่างมีความหมายคืออธิบายได้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์อะไร ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เราเห็นได้ชัดมากว่าอะไรก็ตามถ้าเกี่ยวข้องกับจิตใจหรือเกิดมาจากจิตใจแล้วสิ่งนั้นจะต้องมีความหมายเสมอทีนี้เราลองมาพิจารณาดูส่วนต่างๆของร่างกายหรือพฤติกรรมต่างๆให้ละเอียดเราก็จะพบว่าทุกอย่างมีความหมายทั้งสิ้นผู้ที่เรียนทางชีววิทยาจะสามารถทราบได้อย่างละเอียด จงกระทั่งส่วนต่างๆของเซลล์และพฤติกรรมต่างๆภายในระบบของเซลล์นักชีววิทยาย่อมทราบดีว่าไม่มีอวัยวะส่วนไหนหรือพฤติกรรมอันใดที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีความมุ่งหมายนักวิทยาศาสตร์มีความรู้ดีในเรื่องของวัตถุแต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณ จะต้องอาศัยสมาธิขั้นสูงจึงจะมีความรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จริงๆในเมื่อ น, นักวิทยาศาสตร์มีความรู้แตกฉานแต่ในเรื่องวัตถุรู้เรื่องกฎเกณฑ์ของวัตถุเป็นอย่างดีแต่ไม่รู้เรื่องวิญญาณฉนั้นจึงเข้าใจว่าร่างกายเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติคือเกิดขึ้นมาตามกฎเกณฑ์ของวัตถุและชอบพูดกันอยู่เสมอว่าคนเราเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ สุดแล้วแต่ธรรมชาติจะสร้างซึ่งผู้ที่พูดส่วนมากก็ไม่ทราบว่าธรรมชาติที่ว่านี้คืออะไรขอให้สังเกตดูว่าความเป็นไปหรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ไร้ชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มีชีวิตไม่เหมือนกันกล่าวคือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ไร้ชีวิตนั้นมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของวัตถุล้วน โดยไม่มีความมุ่งหมายใดๆและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ไร้ชีวิตนี้สามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีแต่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มีชีวิตมีความมุ่งหมายนี่คือข้อที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นการอธิบายเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตจะอธิบายตามกฎเกณฑ์ของวัตถุตามหลักเคมีหรือตามหลักฟิสิคลุ้นล้วนอย่างเดียวไม่ได้ ข้อผิดพลาดของนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องก็เพราะไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณที่ไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณก็เพราะมัวแต่ไปคิดในแง่ของวัตถุและคนในโลกสมัยปัจจุบันส่วนมากก็เชื่อนักวิทยาศาสตร์เมื่อนักวิทยาศาสตร์เชื่อยอย่างไรคนทั้งหลายก็เชื่อตามฉะนั้นในเมื่อนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า คนเราเกิดขึ้นมาตามกฎเกณฑ์ของวัตถุอย่างที่ได้อธิบายไว้ในตำราชีววิทยาและตำราวิทยาศาสตร์ทั่วไปซึ่งจากตำราทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนั้นเราจะไม่พบเลยว่านักวิทยาศาสตร์คนไหนบอกว่าร่างกายเกิดมาจากวิญญาณด้วยเหตุนี้คนทั้งหลายจึงไม่ค่อยจะยอมเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าร่างกายของเราเอากาเนิดมาจากวิญญาณของเราเอง อย่าลืมว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่มีอีกอย่างหนึ่งนอกจากร่างกายและถ้าจะพูดถึงความหมายอันลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณจริงๆแล้วอย่าว่าแต่สิ่งที่มีชีวิตเลยแม้แต่สิ่งที่ไร้ชีวิตเช่นก้อนหินก้อนดินหรือแร่ธาตุต่างๆก็มีวิญญาณแต่ตามความรู้สึกของคนทั่วไปเห็นว่าไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณเพราะมันไม่มีความรู้สึกใดๆ ไม่แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีความหมายและไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆด้วยตัวของมันเองฉะนั้นจึงลงความเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีวิญญาณแต่ความเป็นจริงในวัตถุที่ไร้ชีวิตก็มีวิญญาณเพราะจากการตรวจสอบด้วยความรู้ทางอภิญญยาจะทำให้ทราบว่าโครงสร้างและคุณสมบัติต่างๆของวัตถุนั้น เกิดมาจากวิญญาณในวัตถุและวิญญาณในวัตถุยังมีอยู่ได้เสมอไม่สูญก็เนื่องมาจากความเป็นไปในวงจรของปรมานูนั้นมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยความเป็นไปในวงจรของปรมณนูซึ่งก็เกิดจากวิญญาณในวัตถุเป็นปัจจัยนั่นเองอันนี้เป็นปัจจัยทำให้วิญญาณเกิดและสืบต่ออยู่ในรูปเดิม ตามหลักพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปแม้นามรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณฉนั้นในเมื่อความเป็นไปของวัตถุยังอยู่ในรูปเดิมสภาพของวิญญาณในวัตถุก็จะอยู่ในรูปเดิมและในเมื่อสภาพของวิญญาณไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวัตถุก็ย่อมจะไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นการยากมากที่สุดที่การเปลี่ยนแปลงภายนอก จะไปมีผลกระทบกระเทือนทำให้โครงสร้างของวัตถุแต่ละประมานูมีการเปลี่ยนแปลง น, นอกจากจะต้องใช้พลังงานที่สูงที่เกิดจากการสลายตัวของปรมานูเท่านั้นจึงจะมีผลกระทบกระเทือนไปถึงการเปลี่ยนแปลงภา ย, นยน ใ, นในปรมานูขอให้นึกถึงหลักคิดศาสนาที่สอนว่าแต่เดิมทีเดียวโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่า แต่ในความว่างเปล่านั้นได้มีพระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีสภาพเป็นนามธรรมอันนี้แหละที่เป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกขึ้นมาซึ่งรวมทั้งมนุษย์ด้วยข้อคิดอันนี้เราควรจะรับฟังเอาไว้บ้างและในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่ามโนปุพังขมาธ ร, ร ม, มามโนเสษามโนมยาแปลว่า มโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณและอีกบทหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโจิตเตนะปริกัสติจิตตสาเอกาธรรมสะสัพเพววสมันวัคูแปลว่าโลกยอมหมุนไปตามจิต วิวัฒนาการไปตามจิตเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมเป็นไปตามอำนาจของสิ่งสิ่งเดียวคือจิตโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าคำว่าจิตหรือวิญญาณในทางพุทธศาสนามีความหมายอย่างเดียวกันจากหลักที่อ้างมานี้ท่านจะเห็นได้ ว, ว่าความคิดเห็นในทางศาสนาก้าวหน้าไปไกลกว่าทางวิทยาศาสตร์มากมาย ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ยังก้าวขึ้นมาไม่ถึงแต่สักวันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจะต้องยอมรับว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังวัตถุเป็นเนื้อแท้ของวัตถุเป็นที่มาหรือที่ให้กำเนิดโครงสร้างของวัตถุคุณสมบัติของวัตถุหรือกฎเกณฑ์ต่างๆของวัตถุนั้นก็คือวิญญาณและวิญญาณที่ว่านี้หมายถึงวิญญาณซึ่งยังไม่มีปรากฏการออกมาเป็นความรู้สึก ที่จะสังเกตเห็นได้โดยอาศัยประสาทสัมผัสและวิญญาณที่ว่านี้โดยปกติแทรกเสริมอยู่ในวัตถุทั้งปวงและแผ่ซ่านอยู่ทั่วสากลจักรวาลถ้าหากผู้ใดสามารถเอาวิญญาณสากลดังที่กล่าวมานี้มาใช้ได้ตามความต้องการและควบคุมได้เขาผู้นั้นก็จะกลายเป็นผู้วิเศษเรื่องปฏิหารต่างๆ ก็จะกลายเป็นเสมือนหนึ่งของเล่นสำหรับบุคคลประเภทนี้และการที่ทางพุทธศาสนาทราบถึงเรื่องวิญญาณประเภทนี้ได้อย่างแจ่มแจ้งนั้นขอเทสโปรเข้าใจว่าไม่ใช่รู้แจ้งโดยอาศัยประสาทสัมผัสของกายเนื้อแต่ที่รู้ก็เพราะในเมื่อฝึกสมาธิไปจนกระทั่งสามารถบังคับจิตได้อย่างเด็ดขาดและเอาชนะประสาทสัมผัสได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ก็สามารถที่จะแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆได้มีอภิญญาต่างๆเกิดขึ้นได้จากปรากฏการณ์หรือข้อเท็จจริงในทางอภิญญานี่เองซึ่งในเมื่อพิจารณาถึงเหตุผลต่างๆแล้วก็จะทำให้รู้แจ้งว่าวิญญาณเป็นเนื้อแท้ของสสารหรือเป็นแกนในของสสารและมีอยู่ทั่วไปอันที่จริง การที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆอีกหลายอย่างจนกระทั่งสามารถเอามาใช้ได้และการที่นักวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจถึงเรื่องโครงสร้างของวัตถุและกฎเกณฑ์ต่างๆของวัตถุอย่างละเอียดแจม่มแจ้งจนกระทั่งทําให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆขึ้นมามากมายนั้นซึ่งถ้าจะอธิบายในแง่ของพุทธศาสนาแล้วก็คือนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้รู้เรื่องวิญ ญ, ญาณในวัตถุอย่างแจม่มแจ้ง จนกระทั่งเอาอำนาจของวิญญาณในวัตถุมาใช้ได้นั่นเองเพราะโครงสร้างและคุณสมบัติของวัตถุก็คือปรากฏการของวิญญาณในทางวัตถุพลังงานของวัตถุซึ่งมีอยู่ในรูปต่างๆก็คืออำนาจของวิญญาณในวัตถุที่แสดงออกมาในลักษณะที่หยาบ ก, กว่าอำนาจและวิญญาณที่แสดงออกในรูปของความรู้สึกนึกคิดแต่อย่างไรก็ดี ถึงแม้นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันจะได้ก้าวหน้าไปมากก็จริงแต่ก็ขอได้โปรดจําไว้ด้วยว่านักวิทยาศาสตร์ยังเอาอำนาจของวิญญาณในวัตถุมาใช้ได้ไม่หมดเพราะยังไม่ทราบถึงเนื้อแท้ของวัตถุมันเหมือนกับคนธรรมดาที่ต้องการจะใช้ไฟหรือต้องการความร้อนเขาก็รู้จักแต่เพียงว่าเขาจะได้สิ่งเหล่านี้มาก็ด้วยวิธีก่อไฟเท่านั้น และเขารู้ดีว่าความร้อนหรือเปลวไฟนั้นเกิดมาจากเชื้อเพลิงฉนั้นในเมื่อเชื้อเพลิงถูกไหม้หมดแล้วเขาก็คิดว่าความร้อนที่เขาได้มานั้นหมดแล้วในเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่เป็นเท่าฐานนั้นไม่มีความร้อนอยู่แล้วและเอามาใช้อีกไม่ได้แต่ความเป็นจริงการเผาไหม้ตามธรรมดาอย่างที่เราเห็นกันอยู่นั้นไม่ได้ทาให้โครงสร้างของปรมานูเปลี่ยนแปลง และถ้าเราสามารถทำให้โครงสร้างของธรรมนูสลายตัวออกจากกันได้เราก็จะได้ความร้อนอีกมากมายในทํานองเดียวกันการที่นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆขึ้นมาได้อย่างมากมายนั้นความเป็นจริงเขายัางเอาพลังงานที่เป็นเนื้อแท้ของวัตถุคือพลังงานวิญญาณในวัตถุมาใช้ได้ไม่หมดถ้าหากเรามีความรอบรู้และความสามารถเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อไหร่ เราก็จะพบว่านักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษาและอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์อีกมากมายอย่าลืมว่าสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกก็คือร่างกายมนุษย์แล้วร่างกายมนุษย์เป็นผลที่เกิดมาจากอำนาจสร้างสรรค์ของวิญญาณแต่วิญญาณส่วนนี้เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้จัก ราคนที่จะรู้จักอำนาจของวิญญาณในส่วนนี้อย่างแจ่มแจ้งจนกระทั่งเอามาใช้แดกตามความต้องการนั้นจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิสูงมากและถ้าหากมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ดีด้วยก็จะสามารถอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณในส่วนนี้ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนทีเดียวและจะทำให้วงการวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยอมรับนับถือด้วย